การดูหนังโป๊เป็นบาปไหมถามการดูหนังโป๊เป็นบาปไหมจะมีผลกรรมอย่างไรบ้างครับตอบก่อนอื่นข อ, อนิยามคําว่าบาปให้ชัดๆนะครับบาปในแง่ของการละเมิดกฎหมายถึงการทำผิดหลักการ ฝ่าฝืนข้อห้ามโดยเฉพาะข้อห้ามตามหลักการทางศาสนาเช่นถ้าศาสนาบอกให้ไหว้พระอาทิตย์ทุกเช้าแล้วไม่ไหว้อย่างนี้ถือเป็นบาปตามหลักความเชื่อนั้นๆหรือหากกฎหมายบอกว่าทำงานแล้วต้องเสียภาษีหากไม่ยอมเสียภาษีก็ถือเป็นบาปตามกฎหมายเป็นต้น บาปในแง่ของการกระทําเลวร้ายหมายถึงกรรมชั่วซึ่งก่อขึ้นแล้วทําให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนก่อนและเมื่อกรำชั่วผลผลผู้ก่อกรรมย่อมได้รับความเดือดร้อนในลําดับต่อมาอย่างเช่นปล้นบ้านและทําร้ายเจ้าทรัพย์เจ้าทรัพย์เสียทั้งเงินได้รับทั้งบาดแผลจากนั้นตํารวจพยายามติดตามจับมาดําเนินคดีอาญา ต้องติดคุกติดตารางหัวโตเป็นต้นบาปในแง่ของปรากฏการทางจิตหมายถึงเจตนาอันเป็นอกุศลเกิดขึ้นแล้วปรุงแต่งจิตให้มีความมืดมนมัวหมองเสื่อมลงจากความเจริญเช่นนั่งพักผ่อนอยู่ดีไม่ว่าดีคิดถึงเรื่องคาใจที่ไปทะเลาะเบาะแวงกับคนอื่นเมื่อเดือนก่อน แม้เรื่องจบไปแล้วก็นึกกระเฮียนกระหือรืออยากโทรไปรื้อฝอยหาตะเข็บขึ้นมาอีกใจย่อมไม่เป็นสุขรู้สึกหนักอึ้งทึบตันเราร้อนกระสับกระสายเป็นต้นกลับมาถึงคำถามการดูหนังโป๊เป็นบาปไหมอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณเอาพฤติกรรมดูหนังโป๊ ไปไว้ในขอบเขตนิยามใดในแง่การละเมิดกฎบางประเทศก็แปลกห้ามขายหนังโป๊แต่ไม่ได้ห้ามดูหนังโป๊ฉะนั้นคุณอาจจะไม่ได้ละเมิดข้อห้ามทางกฎหมายสำหรับศาสนาพุทธเราก็ไม่ได้มีข้อห้ามเรื่องการชมผู้อื่นเสพสังวาสกันมีแต่ชี้ว่า การปล่อยให้จิตใจหมกมุ่นอยู่กับเรื่องรามกอนาจารนั้นไม่ดีเมื่อหมกมุ่นจนเหมือนศีรษะชุ่มโชคอยู่ด้วยความคิดทางกามแล้วยอมไม่ปรารถนาจะทำเรื่องดีงามเป็นกุศลแต่อยู่ใกล้ความปรารถนาจะทำเรื่องเลวร้ายเป็นอกุศลเสียมากกว่าในแง่ของการกระทำเลวร้ายคุณไม่ได้ประทุษร้ายใคร ดาราโป๊เขาทำตัวเดือดร้อนให้ชื่อเสียงของตนและวงตระกูลอยู่แล้วคุณแค่ดูคนทำความเสื่อมเสียให้ตนเองหน้าที่ของคุณคือจ่ายเงินแลกกับการสุขทางหูตาคุณยังไม่ได้เป็นบาปจากการดูหนังโป๊ตราบเท่าที่สามารถระงับจิตใจไม่คิดทำเรื่องเลวร้ายตามที่หนังโป๊กระตุ้นให้ทำเช่นฉุดคร่าผู้หญิงมาย่ำยี ในแง่ปรากฏการทางจิตแน่นอนว่าคุณดูหนังโป้อย่างสนุกสนานไม่ได้หากปราศจากอารมณ์เพศทั้งศาสนาเรามองว่าอารมณ์เป็นราคะเป็นธรรมชาติที่ทำให้จิตมัวหมองลงบาปจะหนักเบาขึ้นอยู่กับว่าคุณปล่อยใจให้ถูกราคะครอบงำมากน้อยเพียงใด มาขยายความตามในของปรากฏการทางจิตกันแน่นอนว่าหนังโป๊เป็นสื่อกระตุ้นให้อยากทำกิจกรรมทางเพศกิจกรรมทางเพศทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและทำให้จิตใจหม่นมัวไม่สุขสว่างแต่ทั้งหลายทั้งปวงก็เพื่อแลกกับความสนุกและความเป็นปกติทางอารมณ์โดยเฉพาะอารมณ์เกี่ยวกับเพศซึ่งทางจิตวิทยาถือว่าจาเป็น การกักไว้เก็บกดไว้อาจก่อให้เกิดความอัดอั้นฟุ้งซ่านทรมานซึ่งก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของอกุศ ล, ลจิตเป็นบาปตามในของปรากฏการทางจิตได้เช่นกันธรรมชาติเขากดดันมนุษย์ไว้อย่างนี้คือทำให้จิตมีสภาพโน้มเอียงลงตำ่ำจากการครอบงำของราคะเมื่อได้ราคะ ยอมมืดด้วยความโลภเมื่อไม่ได้ราคะยอมเร่าร้อนด้วยความโกรธทางเดียวที่จะปลอดภัยจากราคะคือต้องดำเนินชีวิตให้เกิดปรากฏการทางจิตที่มืดน้อยสว่างมากหรือพูดให้ชัดคือมือดเดียวเ ด, ยวด้วยกิจกรรมเอาสนุกอันเป็นอกุศลแต่สว่าง น, น, นานๆด้วยกิจกรรมเอาความเบิกบานอันเป็นกุศล นอกจากพิจารณาภาพกว้างดังกล่าวข้างต้นแล้วยังอาจจะต้องดูด้วยว่าหนังที่คุณซื้อมาเสพนั้นยั่วยุให้เกิดความกำหนัดยินดีธรรมดาหรือถึงขั้นเร่งเร้าให้เกิดความวิปริตผิดมนุษมนาหากหนังที่คุณดูเข้าขั้นวิปริตแล้วคุณปล่อยใจให้เกิดความยินดีอยากทำจริงๆเหลือเพียงแค่ลังเลตัดสินใจอยู่ว่า กล้าหรือไม่กล้าอันนั้นจะเป็นบาปที่ใกล้เคียงกับลงมือทำจริงแล้วเนื่องจากจิตเข้าไปติดอยู่ในภพหรือภาวะวิพิตตามที่เห็นและติดใจยินดีเต็มๆแล้วการที่ยังมีหนังที่สร้างขึ้นเร่งเร้าสัญชาตญาณสัตว์ป่าและยังสามารถเผยแพร่จำหน่ายจแจกหรือกระทั่งขึ้นโรงภาพยนตร์มาตรฐานกันได้ ก็ด้วยเหตุผลง่ายๆคือความเชื่อในสิทธิส่วนบุคคลของผู้บริโภคหนึ่งและความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีมโนธรรมยับยั้งชัางใจที่จะไม่ทำตามเครื่องกระตุ้นยั่วยุได้ตามหลักการแล้วถ้าบ้านเมืองในช่วงหนึ่งหนึ่งมีหนังคมขืนหนังทำร้ายกันรุนแรงหนังสยดสยองเลือดนองจอกลาดเกลื่อน กับทั้งเต็มไปด้วยความสนุกสนานน่าลุ่มหลงย้อมใจให้คนทั้งประเทศเป็นสีดำจิตวิญญาณผู้คนจะถูกครอบด้วยความมืดแห่งมหาอากุศลแ น, นวน้อมที่จะคิดดีพูดดีทำดีย่อมเป็นไปได้ยากหากไม่หมกมุ่นมากแล้วคุณทำเรื่องอันเป็นบุญเป็นกุศลมีสติอยู่ในคันลองคลองทำอันประเสริฐ ก็ได้รับผลเพียงน้อยเป็นคนธรรมดาตามอุดมคติคือปุตุชนที่ยังตกอยู่ใต้อำนาจการครอบงำของกามคนหนึ่งหากหมกมุ่นมากแต่ยังคงทำเรื่องอันเป็นบุญเป็นกุศลยังมีสติอยู่ในคันลองคลองทำอันประเสริฐก็อาจได้รับผลเป็นความมัวหมองกับกุศลละธรรมคุณอาจรู้สึกไม่ดีกับตนเองอาจฝันเห็นตนเองทาเรื่องหน้าอนาถ เช่นวิ่งแก้ผ้าให้คนเห็นหากหมกมุ่นมากแถมทำเรื่องอันเป็นบาปเป็นอกุศลไม่ค่อยมีสติอยู่ในขลองคลองทมใดๆคุณจะถูกดึงดูดเข้าสู่กระแสของความตกตำ่ำยินดีคบผ่านเป็นมิตรยินดีโคจรไปในแหล่งอบายมุขแล้วคุณจะรู้สึกเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นทุกทียาจะแยกแยะว่าอันไหนมืดอันไหนสว่าง อันไหนผิดอันไหนถูกสรุปคือคุณตั้งโจทย์อย่างเดียวไม่ได้ครับว่าดูหนังโป้นั้นบาปแค่ไหนจะได้รับผลอย่างไรคุณต้องเล็งดูชีวิตส่วนที่เหลือทั้งหมดเป็นส่วนประกอบเมื่อบวกลบแล้วเกิดภาพรวมของจิตเป็นสว่างหรือมืดมากกว่ากันกิจกรรมทางเพศที่มาจากการดูหนังโป้นั้นจะว่าปกติก็ได้ ถ้าหากคุณอยู่ในที่ส่วนตัวเมื่อออกจากที่ส่วนตัวแล้วยังมีความละอายที่จะก่อพฤติกรรมทางเพศแบบเปิดเผยและยังมีมโนธรรมพอที่จะไม่ประพฤติผิดทางเพศกับคนอ่อนแอกว่าแต่ก็อยากให้เห็นกันตามจริงว่าหนังโป้พร้อมจะทำให้คนปกติกลายเป็นคนไม่ปกติในทันทีที่ปล่อยใจเกินไป โดยเฉพาะแง่ของการคล้อยตามพฤติกรรมชั่วร้ายในหนังครับ